บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้กล่าวในหัวข้อของนิวรคือทำอันกั้นจิตบุคคลไว้ไม่ให้บรรลุความดีตามที่ทรงแสดงให้ผู้ปฏิบัติกำหนดศึกษาและพิจารณาไปโดยลำดับ วันนี้จะพูดถึงหัวข้อที่เรียกว่าปุธัจจ ก, กุจจะซึ่งแปลว่าความพุง้งสั้นและความรำคาญโดยปกติแล้วกิเลสนั้นมักจะปรากฏตัวเด่นออกมาในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นกามาฉันกิเลสสายโลภะก็ปรากฏตัวชัดพยาบาท กิเลสสายโทสะก็ปรากฏตัวชัดทีนมิทะก็เป็นกิเลสสายโมหะที่ปรากฏชัดออกมาแต่มาถึงอุทธจักกุจจนันปรากฏว่ากิเลสสองกองปรากฏตัวออกมาเด่นชัดแต่เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางจิตคือตัวอุทธจักนั้นเป็นอาการของโมหะที่แสดงออกมา ทำใจของบุคคลให้ฟุง้งซ่านซัด ส, สายไปในอารมณ์ต่างๆไม่อาจที่จะสงบอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้เมื่อใจฟุง้งซ่านซัด ส, สายไปมากข้าวความเปลี่ยนแปลงจะออกมาในลักษณะที่เรียกว่ากุกุจจะคือรำคาญอันเป็นอาการของกิเลสสายโทสะดังนั้นกิเลส ส่วนนี้บางครั้งอาจจะไม่ถึง ก, กุกุจะคือรำคาญก็ได้ถ้าคุมไว้ได้ในตอนต้นแต่ถ้าคุมไม่ได้แล้วต่อไปจะต้องกระจายออกเป็น ก, กุกุจะคือกลายเป็นทางความฟุง้งซ่านและความรำคาญปรากฏขึ้นในจิตซึ่งบางคราวอาจจะรุนแรงบางคราวอาจจะไม่รุนแรงนักทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับอาการของจิต ในขณะนั้นนั้นว่าไดุ้้งสัน้นได้รำคาญไปมากน้อยแค่ไหนเพียงไรในข้อต่อไปนั้นทรงสอนให้กำหนดพิจารณาว่าเมื่ออุทจักกุกกุจานิวรณ์บังเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าขณะนี้อุทจักกุกกุจานิวรได้บังเกิดขึ้นแล้วภายในใจของเรา ประการที่สองให้รู้ว่าอุทจกุกุจักที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นโดยวิธีใดก็ให้รู้วิธีนั้นสาเหตุที่ให้เกิดอุทจักกุกุจักนั้นท่านกล่าวโดยสรุปว่าเป็นเจตโสอวุปสมะคือการที่ไม่สามารถคุมจิตให้ส ง, งบ อยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะทั้งนี้จะเห็นได้ว่าจิตใจของบุคคลเรานั้นได้เก็บได้สะสมอารมณ์ไว้เป็นอันมากในแต่ละวันเมื่อเวลาผ่านมามากข้าวถ้าไม่รู้จักการปล่อยการวางอารมณ์สิบ้างหรือว่าตัดอารมณ์บางอย่างออกไปจากจิตใจสิบ้าง จิตใจก็จะถูกกลุ่มรุมด้วยอารมณ์เหล่านั้นแม้ว่าในขณะนั้นตาจะไม่เห็นรูปหูจะไม่ฟังเสียงจมูกจะไม่ดมกลิ่นลิ้นจะไม่ดิ้มรลีมรสกายจะไม่ได้ถูกต้องโภตภะก็ตางแต่ว่าใจจะนำเอาอารมณ์ที่เก็บเอาไว้มาตรึกนึกเนื่องจากเก็บไว้สับสนเวลาเกิดจึกนึกขึ้นมาเลยสับสนตามไป กลายเป็นอุทธจักุกุจกจะคือฟุ้งซ่านและรําคาญลักษณะการนึกคิดจนฟุ้งซ่านรําคาญไปนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องอะไรที่ไปนึกขึ้นมาไม่ได้เจาะลึกลงไปเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งผิดกระพวกการมาฉันพยาบาทคือกามฉันพยาบาทนั้นก็ นึกถึงเรื่องกา마ฉันก็พุ่งไปสายเดียวที่เกี่ยวกับกามฉันแต่อุตจักุกุจักเป็นลักษณะของควันไฟที่ขึ้นมาแล้วก็ถูกลมพัดหมุนทำให้กระจายฟุ้งตลบไปจึงกําหนดอะไรลงไปไม่ได้ว่าอาการที่ฟุ้งไปนั้นเป็นเรื่องอะไรแน่ลักษณะของความฟุ้งสั้นที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้น บางครั้งก็ถูกกดเก็บไว้คือแสดงออกมาไม่ได้แต่บางคราวก็แสดงออกมาข้อนี้พึงสังเกตว่าในบางโอกาสที่นั่งชุมนุมกันด้วยกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสนทนาปราศัยกันต่างคนต่างมีอุทธัจฉะกุกุจฉะอยู่ภายในใจคือความฟุ้งซ่านอยู่ภายในใจด้วยกัน พอพูดกันไปเรื่องยังไม่ทันจบคนหนึ่งก็เสนอเรื่องซึ่งเก็บไว้ภายในใจคิดมาแล้วก็พูดต่อไปไม่จบอีกเพราะฉะนั้นเรื่องทุกเรื่องบางคราวที่นั่งคุยกันไม่จบเลยสักเรื่องเดียวนี่เป็นอาการของความฟุง้งซ่านที่คุมไว้ไม่อยู่แล้วออกมาทางวาจาปัจจัยอย่างอื่นนอกจากความไม่ส ง, งบทางจิตแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการที่บุคคลนั้นขาดการศึกษาการสดับสับฟังอย่างมีเหตุผลขาดการพินิษพิจารณาสิ่งทั้งหลายโดยใช้ปัญญาเป็นเครื่องพินิษพิจารณาขาดความชำนิชำนาญในหลักวิชาการและกระบวนการทางจิต ขาดการเข้าโคบหาสมาคมกับท่านผู้ที่เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตหรือไปโคบหากับบุคคลที่เป็นปาปมิตรได้เก่ดคนที่ไม่ไดีบางคราวเรื่องที่ได้เห็นได้ยินเป็นต้นนั้นมีลักษณะไม่สบายตาไม่สบายหูแล้วก็นำมาคิดแต่ละอย่างนั้นเป็นปัจจัยให้จิตใจของบุคคล ไม่สามารถส ง, งบจูในอารมณ์ยันใดอย่างหนึ่งได้ดังนั้นจึงทรงสอนไว้ในข้อต่อไปว่าอุทจจะกุกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วสามารถละได้ด้วยวิธีใดก็ให้รู้วิธีนั้นวิธีที่จะละอุทจจะกุกุจจะนั้น ก็คือการปฏิบัติตรงกับการข้ามกับสาเหตุแต่งความเกิดดังที่กล่าวแล้วคือการพยายามทำจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอารมณ์เหล่านั้นบางครั้งอาจจะไม่เป็นเรื่องของกรรมฐานโดยเฉพาะก็ได้ เช่นว่าการอ่านหนังสือการทำงานอดีเรกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำกิจกรรมประจำวันของตนก็สามารถที่จะคุมจิตให้อยู่เฉพาะกับการงานนั้นๆได้ถ้าหากจะมีอุตสาหะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็อาจจะนั่งทาใจให้ส ง, งบด้วยการปฏิบัติตามหลักกรรมฐานที่ศึกษากัน แต่ว่าโอกาสบางโอกาสสถานที่บางสถานที่ไม่อำานยให้ก็อาจจะเหนียวนึกคือใช้ความฟุ้งซ่านนั่นเองแต่เป็นเหนียวนึกเอาเรื่องที่เป็นคุณธรรมความดีเช่นปรารบถึงคุณของพระพุทธเจ้าบทใดบทหนึ่งแล้วก็นำมาคิดหาความรู้ความเข้าใจ ในพระพุทธคุณแต่ละบทซึ่งเป็นการทำใจของตนในขณะนั้นให้ส ง, งบอยู่ด้วยพระพุทธคุณแต่สามารถคิดได้กว้างไกลออกไปจิตใจของบุคคลผู้นั้นจะเพิ่มภูมศรัทธาคือความเชื่อภาษาทะคือความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าสูงขึ้น ในขณะเดียวกันจิตก็จะสงบอยู่ในพุทธคุณถ้าคิดได้นัยยะกว้างไกลออกไปมากขึ้น <c oughs> ก็จะเห็นนัยยะว่าพระพุทธคุณแต่ละบทนั้นในระดับหนึ่งบุคคลทั่วไปสามารถปฏิบัติให้สัมผัสพระพุทธคุณได้ ก็จะเกิดฉันทะาอุตสาหะที่จะน้อมนำเอาพระพุทธคุณมาประพฤติธปฏิบัติหรื อ, อย่างไม่มีอะไรก็นั่งมองไปในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของกษินคือหมายความว่าในกรณีที่ต้องนั่งลืมตาแล้วก็ไม่มีกิจการงานอะไรที่จะทำอย่างเช่นนั่งไปในรถเมย์เป็นต้น ก็จับตาไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็มองให้สงบอยู่ในจุดนั้นทาได้เช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการสงบอุทธจากคุกุจจะไว้ได้แต่ถ้าหากว่าสายตาเกิดมองสายไปคือมองไปนอกรถบ้างภาคโน้นภาคนี้บ้างก็พยายามให้รู้ทันการปฏิบัติกรรมฐานนั้น ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเรื่องของสมถะ น, นั้นเป็นเรื่องส ง, งบจิตจากอารมณ์ทั้งหลายจนถึงส ง, งบกิเลสเป็นจุดหมายปลายทางเรื่องของวิปัสสนานั้นคือเรื่องของการรู้ทันสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงเพระาะฉะนั้นถ้าจิตวิ่งอยู่ระหว่างความรู้กับความส ง, งบ จะไปที่ความสงบหรือไปที่ความรู้ก็ตามทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นการเพิ่มภูมสติและปัญญาคือความระลึกรู้ที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งนั้นแต่การจะทำใจให้สงบจากอุทจักุกุจักนั้นปัจจัยสำคัญที่ถือว่าเป็นอุปการธรรม ก็มีอยู่6ประการประการแรกคือเป็นผู้มีการศึกษาการสดับจับฝังมากหมายถึงว่ามีประสบการณ์ตรงในด้านประสาทสัมผัสมากแต่ในขณะเดียวกันเมื่อได้เห็นตาได้รูปตาได้เห็นรูปเป็นต้นก็เกิดความระลึก เกิดความสงบหรือเกิดความรู้ขึ้นในเรื่องเหล่านั้นคนที่จะได้ชื่อว่าเป็นพาหุชจักระือศึกษาและสัตสับฟังมากในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านแสดงเอาไว้ว่าประการแรกคือต้องมีสุตะได้แก่การฟังอันที่จริงคำว่าสุตะคือการฟังนั้น เป็นภาษาที่ใช้ในสมัยพุทธกาลเพราะว่าไม่มีหนังสืออ่านสมัยปัจจุบันหมายรวมถึงการอ่านหนังสือหรือการสนทนาธรรมตลอดถึงการฟังรายการต่างๆที่เป็นสาระประโยชน์ก็สรุปรวมลงในคําวัสุตะด้วยกันทั้งนั้นประการที่สองคือทัตามีการจําหมายสิ่งต่างๆไว้ได้ ด้วยอำนาจของสัญญาจำได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การควบคุมใจได้มากเท่านั้นและประการที่สามที่เรียกว่าวัจสาปริจิตาคือสั่งสมด้วยวาจาหมายความว่าสามารถจำทรงเรื่องต่างๆไว้ได้ยังยกตัวอย่างในทางเมื่อแก้ด้วยทางอื่นไม่ได้ แต่ว่าจำบทสวดในาศาสนาไว้ได้มากก็อาจจะสวดมนต์แบบทำ ว, ว, วัดเช้าทำวัดเย็นแผ่เมตตาหรือสวดบนแปรอะไรต่างๆที่จำมาได้ก็นาเรื่องเหล่านั้นมาสวดซึ่งบางคราวในการสวดสมัยพุทธกาลเองนั้นท่านใช้คำว่าสาทยายคือสวดกลับไปกลับมา บางคราวก็ใช้คำว่าบริกรรมเช่นว่ามันเกิดปัญหาจิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบขึ้นมาก็บริกรรมซึ่งอาการทั้งสามสสองมีเกษาโลมานาขาดันตาตาโจมังสังนะหารูวาเรื่อยไปครบสาสองแล้วก็กลับตั้งต้นใหม่หรือบางทีเพียงแต่ว่า เกษาโลมานะคะดันตาตโจตโจดันตานขาโลมาเกษาหมุนกลับไปประมาณนี้ว่าไปร้อยครั้งพันครั้งในที่สุดจิตก็จะสงอบอยู่ที่ตรงนี้แทนที่จะสายฟุ้งสั้นซัดไปสิอื่นและเมื่อบริการบ่อยๆเข้าปัญญาก็จะเกิดขึ้นแล้วนําสิ่งเหล่านั้นไปพิจารณาก็จะกลายเป็นวิปัสสนาไป ใจก็ยังคงวิ่งอยู่ระหว่างรู้ระหว่างสงบกับรู้รู้กับสงบซึ่งเป็นอาการของสมถะและวิปัสสนาประการที่สี่นั้นคือมะนส า, านุเปกขิตาหมายถึงการเพ่งพินิษพิจารณาสิ่งเหล่านั้นด้วยใจของตนเองคือแทนที่จะฟังแล้วก็เชื่อไปเลย พระพุทธศาสนาสอนในขั้นของตีระปริญญาคือให้รู้ด้วยการพินิจพิจารณาในขั้นปฏิบัติที่สูงขึ้นไปที่ท่านเรียกว่าโคชชงนั้นก็มีธรรมะวิจัยคือการวิจัยการสอดสองการเลือกเฟ้นการพิจารณาธรรมะในขั้นของการพินิจพิจารณาขั้นนี้ก็คือหมายความว่า ยกเอาธรรมะขึ้นมาเพ่งด้วยใจของตัวเองจะเป็นอะไรก็ได้เช่นยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงลองยกอะไรขึ้นมาสักข้อหนึ่งอาจจะดูรูปก็ได้ดูต้นไม้ดูสิ่งของบ้านเรือนอะไรก็ได้ และพิจารณาดูไม่เที่ยงอย่างที่พระองค์ว่าจริงหรือคือสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปดำรงอยู่ได้ตามเหตุปัจจัยคือถ้าเหตุปัจจัยมีความทนทานแข็งแกร่งก็ดำรงอยู่ได้นานแต่ถ้าเหตุปัจจัยไม่มากพอก็ดำรงอยู่ไม่ได้นาน กล้ายกับพวกน้ำแข็งพวกไอซกครีมพวกนี้ถือว่าเหตุปัจจัยอ่อนก็ดำรงอยู่ไม่ได้นานเมื่อต้องเปลี่ยนสถานที่ก็มาพิจารณาดูจะเห็นแล้วก็โยงก็ไปหาสิ่งอื่นถ้าพิจารณาเช่นนี้เพ่งพินิจ์อยู่อย่างนี้จะเกิดความรู้ขึ้นอย่างหนึ่งที่ท่านใช้คำบาลีว่าทิทยาสุปฏิวิทา คือแทงตลอดสิ่งเหล่านั้นด้วยทิฏฐิคือความคิดเห็นของตัวเองต่อแต่นั้นจะเป็นเรื่องของความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการเพ่งพินิษพิจารณาของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยการบอกเล่าการชี้แนะจากบุคคลอื่นแม้จะเกิดความฟุ้งซ่านทางจิตขึ้นมา ก็สามารถรู้เท่าทันปิดกั้นกระแสของความคิดเอาไว้ได้ด้วยสติเ <c oughs> พราะว่าสติเป็นเครื่องห้าม <c oughs> เป็นเครื่องสกัดกัน้นกระแสแห่งความคิดที่สายไปในทุกได้ยิ่งการปฏิบัติในขั้นของกรรมฐานแล้วก็เหมือนกับการปลูกโยงเอาไว้คล้ายๆกับว่าเรานําเด็กทารกซึ่งท่านอุปมาจิต เหมือนกับเด็กทารกแกไม่สงบอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแต่ผู้เป็นพ่อแม่ก็ทําเป็นคอกเป็นเปรให้แกอยู่แกอาจจะดิน้นแกอาจจะโซนแกอาจจะวิ่งแต่ก็วิ่งไปในขอบข่ายของสถานที่นั้นๆซึ่งก็ไม่เป็นอันตรายอะไรแกเด็กจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันตาสายองค์ของ พูสัจจะดังที่ได้กล่าวมาแล้วแม้จะคิดไปก็จะคิดอยู่ในกรอบในขอบข่ายที่เหมาะที่ควรไม่มีอาการของความฟุ้งซ่านจนถึงกับเกิดความรำคาญขึ้นมาประการที่สที่สองนั้นท่านแสดงว่าต้องมันพิจารณาหนึ่งเดือคือมันคิดบ่อย ก็คล้ายๆกับมีด ต, ต้องมีการลับบ่อยๆการงานต่างๆต้องมีการกระทาบ่อยๆจึงจะมีความชมนิชนานาญสามารถปฏิบัติได้ทันต่อเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยเฉพาะเรื่องอาการฟุ้งซ่านทางจิตเป็นเรื่องของนามธรรมาถ้าตัวสติคือความระลึกได้ซึ่งเป็นนามธรรมาเหมือนกันอ่อน ก็จะปิดกั้นกระแสของความคิดไปไม่ได้ในที่สุดก็จุกฟุง้งแต่ถ้ามีการเสริมสร้างสติกำสังพัญญะให้สูงขึ้นสูงขึ้นก็จะระลึกรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีค้าวว่าใจจะไม่สงบก็สามารถปิดกั้นกระแสของความคิดไปแล้วคุมให้อยู่ในจุดที่สงบ ซึ่งลักษณะเหล่านี้ก็คล้ายๆกับการเลี้ยงดูเด็กอย่างที่ว่ามาแล้วบางโอกาสมีค้า ว, ว่าเด็กจะเป็นอันตรายผู้เป็นพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงก็รีบเข้าไปประคองไว้แล้วในที่สุดก็ปล่อยไปในสถานที่ที่กำหนดไปคืออารมณ์ของกรรมฐานเ่นเดียวกับการปล่อยเด็กไว้ในสถานที่ที่มั่นใจว่าปลอดภัย และประการที่สามนั้นจะต้องมีความชำนิชำนาญในเรื่องนั้นๆันท่านใช้คำว่าชำนาญในวิหนคือหมายความว่าชำนาญในระเบียบในวิธีในกระบวนการทางจิตว่าถ้าจิตสายไปอย่างนี้จะคุมกันแบบนี้ถ้ามีลักษณะอย่างนี้จะปฏิบัติกันอย่างนี้ ข้ น, นี้ให้ลองสังเกตว่าบางครั้งนั้นจิตก็หดถทุลุกเกิน<ม>เหนื่อยหน่ายไม่ปรารถนาจะทําอะไรบางครั้งก็เกิดเอิบอิ่มจนเพลิดเพลินไปบางครั้งก็เกิดมีความส ง, งบบางครั้งถูกกิเลสเข้ามาปรุงวุ่นวายไปหมดเลยซึ่งเมื่อความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อจิตในลักษณะนี้ ผู้ที่มีความรอบรู้ชำนิชำนาญก็เข้าใจว่าจะปฏิบัติอย่างไรในกรณีที่ใจเกุดหูไม่ปรารถนาจะทำก็ปลุกปลอะขึ้นมาในขณะใดที่จิตเกิด เ, ดเ อ, อิบอิ่มปีติมากจนเกินไปหรือเพลิดเพลินมากจนเกินไปก็บันเทาลงมาเพราะว่าจิตที่เ อ, อิบอิ่มไปด้วยปีติมากนั้น ไม่อาจจะให้เป็นสมาธิได้ในในกรณีที่จิตถูกกิเลสกลุ่มรุมครอบงำก็รู้ทางที่จะแก้รู้ทางที่จะป้องกันรู้ทางที่จะบรรเทาและแก้จัดซึ่งแน่นอนการกระทาเช่นนี้จะต้องอาศัยความชำนิชนานาญในกระบวนการของจิตการสายของจิตอารมณ์ที่เข้ามาสู่จิต ข้อที่สนั้นท่านบอกว่าต้องมันเข้าหาอุทธบุคคลคมอุทธบุคคลโดยทั่วไปแล้วก็หมายถึงท่านผู้เจริญโดยชาติเจริญโดยคุณและเจริญโดยวัยคนทั้งสามประเภทนี้เมื่อบุคคลเข้าไปหาแล้วสามารถจะช่วยเหลือโดยเฉพาะคือท่านที่เจริญโดยคุณและเจริญโดยวัย ท่านหนึ่งมีประสบการณ์เป็นรัตตั ญ, ญูรู้ราตรีนานได้พบได้เห็นอะไรมามากเมื่อเข้าไปหาท่านจะได้ข้อคิดการแนะนำที่มีสาระประโยชน์ซึ่งช่วยเสริมความคิดของตนให้มีระเบียบขึ้นสามารถคิดอย่างมีกฎมีเกณฑ์มีหลักในการคิดในกรณีที่ท่าน ผู้ทรงคุณธรรมความดีโดยเฉพาะท่านที่เป็นนักประพฤติปฏิบัติกรรมฐานด้วยกันท่านก็จะชี้แนะแนวทางเหล่านั้นให้เพอะถ้าเกิดขึ้นมาอย่างนี้จะแก้ทางอย่างไรบ้างในกรณีที่เป็นเช่นนั้นจะทำอย่างไงบ้างลักษณะของอุททัจจะนั้นจะเห็นได้ว่า เป็นกิเลส ท, ที่ไม่ใช่ละได้ง่ายงายเพราะแม้แต่พระอนาคามีเองอยังละไม่ได้แต่ส่วนกุกุจะพระอนาคามีถึงละได้ดังนั้นจึงต้องอาศัยหลักทั้งสามทั้งสี่ประการอย่างที่ว่ามาแล้วเข้าไปอุปการะสนับสนุนเพื่อจะคุมใจให้สงบอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนต้องการ และประการที่ห้านั้นก็เหมือนกับข้ออื่นๆที่กล่าวมาแล้วคือเรื่องของกายานมิตรการยานมิตรในที่นี้หมายถึงการยานมิตรทางที่เป็นรูปธรรมคือตัวบุคคลและการยานมิตรที่เป็นนามธรรมคือพระรัตนตรยัยซึ่งบุคคลอาจจะเหนียวนึกเอาคุณของพระรัตนตรยัย ข้อใดข้อหนึ่งมาแก้ความฟุ้งซ่านรำคาญและอาศัยกัรยาณมิตรช่วยแนะนำหรืออย่างน้อยก็ช่วยเป็นเพื่อนปลุกปลอบใจช่วยชีย้ทางแห่งการทำใจให้สงบของตนได้กัญยาณมิตรจึงถือว่าจะต้องเป็นผู้มีอุปการะร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมทุกข์กัน บอกกล่าวแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้และสามารถที่จะเป็นที่พึ่งพำนักได้ทั้งทางกายและทางใจและเรื่องที่นำมาสนทนาปราศัยกันนั้นท่านใช้คำว่าต้องมีสัปพายะกะถาคือกถาจะต้องเป็นสัปพายะคือฟังแล้วมันสบายฟังแล้วมีฉันทะมีวิริยะ เกิดขึ้นภายในใจที่จะเพียรพยายามทำจิตใจของตนให้สงบเพราะฉะนั้นกถาเช่นไรเป็นสัพพายะแก่ใครนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วธรรมกรถาคือกระถาที่เป็นธรรมะย่อมเป็นสัพพายะแก่คนผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายเพราะนั่นคือทางเจริญของผู้ สนใจในธรรมอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสือ่อมแต่ว่าในกรณีที่จะแก้ทางของจิตซึ่งกำลังฟุ้งซ่านอยู่นั้นคาถาจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของจิต ซึ่งเรื่องนี้คนที่จะรู้และจะแก้ได้ถูกตรงที่สุดนั้นมีเฉพาะพระพุทธเจ้าพระงเดียวแม้แต่พระอาหารหันต์ท่านก็แก้ไม่ได้ในทุกกรณีดังนั้นอาศัยความเป็นภูสัจจะคือการศึกษาสดับสั์ฝังมากของบุคคลเข้ามาช่วยเป็นเครื่องพินิษพิจารณาเช่นว่าในกรณีที่จิตมันเกิดฟุ้งไป แล้วจนคุมไว้ไม่อยู่อย่างนี้สมัยก่อนท่านแก้กันยังไงบ้างพระพุทธเจ้าเคยแก้ให้แก่ใครแล้วก็แก้กันยังไงก็เหนียวนึกเรื่องนั้นมาแล้วประพฤติปฏิบัติเพราะลักษณะของใจที่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านไปโดยนยะที่กล่าวแล้วนั้นบางคราวแกะเตลิดไปจนคุมไว้ไม่อยู่ มีท่านเล่าไว้ในอัตถกาถาถึงพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อภาคินเนยะสังครคิตท่านไม่สามารถที่จะคุงมความคิดของท่านไว้ได้นั่งปรุงความคิดอยู่จนฟุ้งแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นนิทานไปเลยแล้วจนลืมตัวไปคล้ายๆกับเป็นเรื่องจริง ในความคิดของท่านตเตลิดไปจนถึงสึกสึกมีลูกมีเมียมานำพาพัญญาและลูกมาหาอุปช้ายะก็เกิดทะเลาะกับอุปชายะในขณะที่คิดอยู่นั้นท่านนั่งพัดอุปชายะอยู่อยู่ข้างหลังแต่ความคิดมันไปหายไปแล้วมีความรู้สึกว่าทะเลาะกับพัญญาต้องการจะตีพัญญาก็จับพัดที่ถืออยู่นั้นตีหัวพระเถระ นี่แสดงถึงความฟุ้งที่ไปจนคุมไม่ได้ดังนั้นท่านจึงสอนเอาไว้เป็นคาสอนของคนไทยโบราณที่ท่านสอนไว้ว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ท่ามกลางมิตรให้ระวังวาจาในกรณีที่อยู่คนเดียวนั้นตาหาว่าไม่มีหลักให้จิตเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้ว แล้วปล่อยให้อุทะจักุกุจัะเข้ามาครอบงาใจแล้วความคิดอาจจะเตลิดไปจนคุมไว้ไม่ได้บางครั้งบางคราวอาจจะกลายเป็นสติวิ ป, ปลาดไปก็ได้เพราะอุทะจักุกุจักเป็นกิเลส ท, ที่เจืออย่างที่ว่ามาแล้วต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป